วิญญาณคือธรรมชาติผู้สร้างสรรค์ชีวิตขันห้าคือรูปประคันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันเมื่อเข้าใจขันห้าดีแล้วโดยเฉพาะคือพวกสังขารต้องเข้าใจให้ชัดเจนที่สุดแล้วจงเอาข้อเท็จจริงของชีวิตมาเทียบกับลักษณะของวิญญาณก็จะทําให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งว่า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 กายะวิญญาณไม่ใช่หมายเพียงแค่ความรู้สึกตามผิวกายเท่านั้นมโนโวิญญาณก็ไม่ใช่หมายเพียงแค่ความนึกคิดที่รู้สึกตัวเท่านั้นโลหิตก็เรียกว่าผลทพะคือสิ่งต้องกายหลักฐานที่แสดงว่าต้นไม้มีวิญญาณวิญญาณขยายตัวตามความเจริญของร่างกาย